ทุกความทั้งหลายวันนี้มาพบกันใหม่เรื่องพระพุทธศา ส, สนาช่วยคนคราที่แล้วได้พูดถึงว่าคนของพระพุทธศา ส, สนาช่วยคนที่คนของพระพุทธศา ส, สนาช่วยคนก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างนั้นในการเกิดมาเราต้องช่วยสิ่งกันแลกันมันจึงจะมีความสุข ถ้าต่างคนต่างยื้อแย่งสิ่งกันอะไรกันไม่ยอมรับนับถือในสิทธิสิ่งกันอะไรกันโลกก็มีความทุกข์ถ้าทุกคนมีความเคารพในสิทธิในทรัพย์สมบัติสิ่งกันอะไรกันไม่ยื้อแย่งสิ่งกันละกันโลกก็มีความสุขเแต่สุขน้อยไป <c oughs> แต่ถ้าหากว่าจะช่วยเหลือกันเสีย ด, ด้วยคือไม่แย่งกันแต่ว่าช่วยเหลือกันโลกจะมีความสุขมากขึ้น แต่ได้ว่าการช่วยเหลือสิ่งนะลรกันมันก็ไปขัดข้องกับคนประเภทมือวายเข้าคือมือมือวายประเภทขึ้นราคามากก็ตามหรือมือวายประเภททําลายประวิงเวลาก็ตามมันไร้ประโยชน์ประโยชน์แทนเทียนได้เข้ามามันก็ไม่ได้แต่ท่านนักหลายเหล่านั้นก็ไปเร่งรกักเงินค่าขึ้นเงินเดือนบ้างค่าบีเลี้ยงบ้างจากผู้บงังคับบัญชา <c oughs>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 อะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าจงอย่าเป็นคนมือไวหมายความว่าจะทําลายทรัพย์สินเขาของคนอื่นอย่ายื้แย่งทรัพย์สินเขาของคนอื่นการประวินเวลาแบบนั้นมันก็เป็นการยื้แย่งทรัพย์สินเหมือนกันเป็นการยื้แย่งโดยปริยายคือไม่แย่งเอาทรัพย์มาแต่ไม่แต่ถ้าว่าประโยชน์ที่เขาจะพึงได้มันเกิดไม่ได้ขึ้นมาเสียเวลาไปเป็นเดือน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 ก็เลยบอกว่าถ้าเสียเท่านั้นจริงก็เลิกไม่ติดไปฟ้าสาธารณไม่ติดเพราะว่าถ้าเสียเท่านั้นจริงๆก็เสียสี่หมื่นบาทก็ไปซื้อไปซื้อเครื่องกาเนิดไฟฟ้ามาติดตั้งดีกว่าใช้ราคาแค่เพียงสองสามพันบาทเพราะไฟมันแค่สิบดวงแล้วก็ใช้ค่ากระแสน้ำมันไปเมื่อไรมันจะไปหมดสี่หมืนบาทนานนักใช้เครื่องดีเซน ค่าใช้ใจ่ายคืนหนึ่งก็ไม่ถึงสิบบาทมันก็ไม่ช้ำใจดีกว่านี่ในะเรื่องทั้งคนมือไหวมันทําลายประโยชน์ของวัฒชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ประมงช น, ช, นชาวไทยหมายความว่าถ้าชาติมันจะเจริญขึ้นมาหน่วยจุดได้จุดหนึ่งเจริญขึ้นมามันก็สร้างความชื่นใจกับบรรดาประชาชนแถวนั้นเป็นนั้นว่าหน่วยงานนี้ไฟสายนี้เดี๋ไม่ต้องใช้กัน เดินไม่กัไปตามทําตามปกติเพราะจริงมันก็ไม่ไกลจากโรงพยาบาลมาถึงสํานักงานของผู้พูดเท่านั้น <c oughs> แต่ความจริงน่ะต้องการจะใช้เป็นสาธารณะจะเสียสตางค์กันเองก็อคณะของผู้พูดจะร่วมกันเสียงเงินให้แต่ถ้าว่ากันนายเห็นใจของหน่วยงานค่าหน่วยนี้ค่ากระแสไฟฟ้าอื่นอาจอยืดญาติบอกไม่ถูก เพราะนั้นว่านี่จุดหนึ่งท่านเห็นแล้วด้วอย่างว่าที่พระพุทธเจ้าสอนไว้พระพุทธศาสนาคือคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองสอนไว้ว่าจงอย่ามือไว้ยาทําลายประโยชน์ของบุคคลอื่นในเมื่อประโยชน์มันถูกทําลายขึ้นมาจุดใดจุดหนึ่งมันก็กระทบกระเทือนบุคคลท้่เป็นสาธารณะทั้งหมด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 ถ้าทุกคนรับความช่วยเหลือพระองค์สมเด็จโะสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างคนต่างร่วมงานกันต่างตนต่างช่วยกันไม่ทำลายผลประโยชน์สิ่งกันเลยกันโลกจะมีความสุขหรือโลกจะมีความทุกข์หลักการที่พูดมาจากวันก่อนก็นกดีวันนี้ก็ดีเห็นได้อย่างว่าโลกมัมีความสุขและมีความทุกข์นี่เลหน่วยของมรดกเจ้า คือว่าคําสอนของพระพุทธเจา้าสอนว่าทุกคนจงมีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันนอกจากจะเมื่อไม่มือไวแล้วก็ช่วยกันจะมีเมตตาและกรุณาทัสองประ ก, การตามที่พูดมาแล้วเมตตาความรักซึ่งกันและกันกรุศลาความสงสารซึ่งกันและกันผูพ้พูดนี้เองถ้าเคยเป็นหัวหน้า ง, งานเรื่องในการสร้างโรงเรียนมาตั้งแต่สมัยก่อน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 อย่างนี้ลองทํากันใหม่เรียกว่าเอาคนรวมคนเอาคนช่วยคนส่วนใหญ่ของอะไรก็ตามถ้าจะสร้างขึ้นตราบุคคลที่มีส่วนที่จะใช้มีส่วนเป็นเจ้าของด้วยของนั้นไม่ยากจึงไม่เหมือนกับทําหม่วยราชการตั้งงบประมาณมาเชบคเลยเมื่อตั้งงบประมาณมาครบมาทํากันเขาก็ถือว่านี่เป็นของราชการ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 พระพุทธศาสนาช่วยคนแล้วช่วยให้มีความรู้จักรักกันมีการท้งสายกันเกือ้อกูลซึ่งกันและกันแต่เท่ว่าคนผู้รับความช่วยเหลือของพระศา ส, สนามีแล้วกี่คนถ้าต่างฝ่ายต่างจะเกือ้อกูลกันประเภศนี้มันจะมีความสุขและมีความทุกข์นี่พูดเรื่องมือไวถ้ามือไม่ไว ถ้าเราเป็นคนมือมอ ม, อ ม, อมือไม่ไวไม่ไม่เย้แ ย, ย้งสร้างประโยชน์เขามาคนอื่นใจมันก็เกลื่อกูนกัน <c oughs> หรือถ้าไม่มุ่งเป็นศัตรูกันมันก็เป็นมิตรกันให้ความเป็นมิตรนีน่เกลื่อกูนกันท่านเรียกว่าบัณฑิตนี่จุดหนึ่งในเรื่องหนึ่งที่ผู้พูดพยายามจะทำก็คือเดินเข้าป่าที่กันดานมามาก ไปมาทุกปีเห็นแม่แดนกันดานต่างๆขาดน้าสัตวนะ์พาณะแม้แต่เจ้าของเองเนี่ยจะกินยาอาบก็ยากสัตว์พาณะซึ่งมันเป็นตัวใหญ่กว่ามันก็ลำบากในการกินการใช้น้ำแล้วมันก็ต้องใช้มากแม้เม่เจ้าของไม่ค่อยอพอกินพอใช้สัตว์จะไปยังไงสัตว์ตัวมันใหญ่ถ้เกิดความลำบาก นรพยายามชักจูงบรรดาเพื่อนที่รักหรือว่าคนที่รับความช่วยเหลือจากพระพุทธศาสนามีจิตมีดมีจิตเมตตาเพื่อนมนุษย์ด้วยกันช่วยกันขุดบ่อน้ำในที่แดนกันดานต่างๆทำมันแล้วเป็นร้อยบ่อและผลในสุดการชักชวนก็มีผลถึงใช้กำลังไม่มาก จึงแค่ชี้เหตุที่ผลว่าที่ตรงนั้นอดน้ําคนก็อดควายก็อดวัว ก, ก็อดช่างม้าก็อด <c oughs> ในเมื่อคนไม่ค่อยจะมีน้ําใช้วัวควายจะกินอะไรกันถ้าเป็นอย่างนี้ปล่อยไปอย่างนั้นประเทศชาติเราก็จะมีแต่วความสุดส่งคนทุกคนมีความลําบากวัวควายมีความลําบากผลประโยชน์มันจะเกิดจากอะไร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 ไปในแดงไกลเขียดสุขโขไทยเห็นว่าทางสุขโขไทยแดงไ ก, กลๆอดน้ำาแต่ความจริงทางสุขโขไทยขอน้ามาเพียงสามบ่อบ่อน้ำมาเพียงสามบ่อนิทีการที่จะขอกันก็ชักชวนบรรดาท่านแหลงหลายที่ความมีความรักในบรรพบุรุษของไทยบอกว่าไปบูชาความดีของบรรพบุรุษของเราที่สุขโขไทย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 ตีราคาค่าบ่อน้ำบ่อ 3, บน้ละสามพันบาทก็มอบให้ผู้ว่าในการจังหวัดสุโ ข, ขทยเอาไว้ใจการส่วนที่เหลือเห็นว่าที่ไหนเหมาะสมทําที่นั่นนี่มันดทาทนาหลายการสามัคคีกันแบบนี้พระพุทธศาสนาสอนแทนที่จจรักใจะใกล้โมยยื้อแย่งคดโกงสิง้นอะไรกันแต่ได้ว่า เมื่อไม่คดไม่โกงไม่ยื้อแย้งไม่ลักสิ่งกันแล้วไม่ลักขโมยสิ่งกันแล้วกันแล้วให้ช่วยเหลือกันด้วยการทำอย่างนี้ก็เห็นว่าไม่ยากถ้าลราจะทำกันแต่วิธีที่การที่หดบอ่อน้านี่ก็เหมือนกันมีนโยบายอย่างหนึ่งว่าส่วนพวกเราให้แต่เพียงวัตถุหมายความวัตถุจะมีอิฐหินทรายปูนเหล็กอะไรก็ตามที่จะขุดบอ่อน้ำเราให้ แล้ ว, ว่าสำหรับแรงงานที่ขุดบอ่อน้าเราไม่ให้ทำไมจึงไม่ให้เพราะว่าถ้าให้แล้วคนทั้งหลายเรานั้นจะถือว่าบอ่อน้านั้นไม่ใช่ของเขา <c oughs> เขาจะไม่มีความรัก <c oughs> ให้เขาช่วยกันในด้านแรงงานคีอขุดบอ่อน้าเองพวกสถานที่เขาก็เต็มใจและบางรายก็เงินมาสร้างมาเสริมทาบอ่อทัชสวยน้ำท่ามีกินกันตามสบาย มีการที่ไม่มือไว้แล้วก็ไม่อไม่มือไว้ยืชกชกจริงเยื่องเรายื้อแย่งทรัพย์สินชาวบ้านและโคดโกงประวิงเวลายิ่งไปกว่านั้นพระพุทธเจ้าก็สอนต่อว่าให้เมตตาสิ่งอะไรกันแล้วสงสารสิ่งอะไรกัน <c oughs> นี่ความจริงจิตอย่างนี้ถ้าหากว่าทางราชการได้การสนับสนุนกับวัด แม้ว่าจะสร้างโรงพยาบาลสุขศาลาสถานที่สาธารณะตามที่กล่าวมาแล้วอะไรก็ได้โดยตั้งผลตามความเป็นจริงในงบประมาณไว้ว่าแบบนี้ทั้งราชการที่จะสร้างประมูลใช้เงินเท่าไหร่เมื่ก็มอบให้แก่วัดที่มีความสามารถเครึ่งหนึ่งแต่ลการมอบก็ไม่ควรจะมอบเงินสดไปเลยให้ทําจนเสร็จ ว่าเสร็จแล้วโตรวจดูแล้วถ้าตรวจก็ตรวจให้มันตรงไปตรงมา <c oughs> ว่าเป็นไปตามแบบแต่พระทัดดีกว่าแบบแล้วก็รับเลยถ้าทําดีเพียงแบบที่ออกกําหนดมาก็ดีหรือว่าแข็งแรงกว่าแบบก็ดีรับได้เลยเรื่องการสร้างโรงเรียนนี้เคยเจอมาแล้วเหมือนกัน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 ทำทีเป็นว่าจะไม่ยอมมอบเงินเครื่องหนึ่งที่ทางรายการให้เมื่อสมัยโน้ตถอยหลังไปนานแล้วเรื่องมันก็ต้องถึงข่เยการชั้นผู้ใหญ่เมื่อถึงข่ายการชั้นผู้ใหญ่ระดับกระดานจะสวงมาถึงมาถึงเกิดกอบอกขอบใจเมื่อความจริงแบบทําให้เท่านี้ท่านทํายาออกไปอย่างนั้นเสริมอย่างนี้นี่มันเป็นของดีแล้วดูวัตถุ ก, ก่อสร้างก็แข็งแรงใช้ได้ดีท่านรับ ไอ้เรื่องนี้ก็ต้องคิดจะไม่ด้วยถ้าเลการก็ควรยคิดธรรดาท่านนัหลายที่รับฟังก็ควรอย่าคิดว่าถ้าเขาทำดีกว่าแบบโดยไม่แต่งไม่เติมทำให้รูปก็ให้รูปทรงเสียไปแต่ว่าถ้าจะมีอะไรมากกว่านั้นเพื่อความสะดวกที่เรียกว่าสุขพัณฑ์หรือว่าบางทีให้เงินมาจะพาะสร้างโรงเรียนว่าสร้างโรงพยาบาลถ้าโรงเรียนเขาเกิดสร้างโรง อาคารสำหรับบริโภคอาหาร <c oughs> อาคารสำหรับฝึกงานสถานที่เล่นกีฬาแล้ว่าเห็นที่ส่งมา ก, ก็ไอ้ส่วมมันก็มีน้อยเกินไปก็ทำมากขึ้นมาถ้าดัดแปลงส่งส่งเสริมให้มากขึ้นอย่างนี้ก็ขอได้โปรดสั่งเจ้าหน้าที่ของท่านด้วยว่าอย่าทำลายศรัทธาของบุคคลผู้ทํเพราะว่าเขาทาดีควรรับแต่ความจริงเขาทำไม่ค่อยดีก็ควรรับ เพราะเท่ า, าทราบมาการประมูลกันในการสร้างโรงเรียนโดยเฉพาะเคยทราบมาเพราะบางมันมีบางอย่างที่อะไรจะไม่ครบไม่ทวนจะกรับกันได้เหมือนกันพอาะรวบรวมกันได้และการก่อสร้างขาดบางทีก็มีคนมาแจ้งบอกว่าเรื่องไม่เกิด อ, อย่างนั้นอย่างนี้ทห้มันไม่ครบหมายความพูดทําทําไม่ครบตามแบบตามแผน ไอ้ทำทุกอย่างนะมันครบแต่วัตถุไม่เหมือนกันมีคุณค่าออกอ่อนกว่ากันก็พอโนโลมได้แต่ว่าการที่จะให้เงินครึ่งหนึ่งก็ควรจะให้เท่าเดิมคือคุณค่าสม่ำเสมอก็แบบที่ออกมาอย่างหนึ่งได้บริการหนึ่งถ้าดีกว่าด้วยก็รับได้อย่างนี้ผู้พู ด, พดเห็นว่าเป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้า ส, สอนไว้ในการเกือ้อกูลสิ่งอะไรกัน มเมตตาความรักที่เขาจะทําทําได้ไม่ได้ขึ้ น, นความรักสองกุณาความสงสารสร้างโรงเรียนก็หมายถึงว่ารักลูกรักหลานรักพวกรักค้องกันในเขตนั้นแล้วสงสารเกรงเด็กว่าจะเดินทางไกลเกินไปสร้างสุขาราสร้างโรงพยาบาล <c oughs> ก็เพราะมีความรักซึ่งกกันในฐานะที่เป็นคนเหมือนกัน และสงส า, ารเห็นว่าไอ้การป่วยไข้ไม่สบายไปลําบากโรงพยาบาลก็อยู่ไกลเมื่อค่ำแล้วก็จะไปหาเจ้าหน้าที่ไปลําบากพานะก็ไม่มีถ้ามีสุขเส ร, ราหรือว่าโรงพยาบาลอยู่ ใ, นในกล้ๆการจริงสุขเสลากโรงพยาบาลเล็กๆก็มีความหมายคล้ายคลงกั น, นอย่างน้อยที่สุกดก็จะได้เป็นด่านแรกที่จะบรรเทาทุกขเวทนา ในทางพระพุทธศาสนาสอนให้รักกันสอนให้สงสารกันทําได้แต่ย่เอากันจริงๆแล้วก็ผู้พูดเห็นว่าทําได้เพราะกําลังใจของคนในพระพุทธศาสนาพร้อมแล้วที่จะทําแต่เรื่องขาดอย่างเดียวคือการไว้วางใจของหน่วยราชการถ้าหากว่าทางหน่วยราชการไว้วางใจถอยหลังกลับเข้าไปยังเมื่อระบบ ก็ประมาณสามสิบปีเสีษจากนี้ผู้ผู้เห็นว่าความเจริญรุ่งเรืองจะมีมากขกว่านี้จะหมยนั้นก็ให้กำลังใจพระผู้ธทมไม่ได้มีอะไรมากเลยทางคณะสงฆ์ใครสร้างโรงเรียนขึ้นมาหนึ่งหลังให้เพื่อครูประทวนซึ่งมันไม่มีความหมายอะไรแต่ก็เป็นกำลังใจของบุคคลผู้ธรรม และชาวบ้านที่ร่วมกันจัดทา ก, รรก็ต้องรักโรงเรียนดังนั้นถือว่าเป็นเจ้าของเป็นอนุนว่าการกระทาอย่างนี้ทั้งหมดเป็นบทที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ในพระพุทธศาสนาให้มีเมตตาปราณีซึ่งกันและกันฉะนั้นดากว่าท่านทั้งหลายที่เข้าใจว่าพระพุทธศาสนาไม่ช่วยโลก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 ต่างคนต่างไว้วางใจซึ่งกันและกันต่างคนต่างซื่อสัต ส, สุจริตซึ่งกันและกันต่างคนต่างยอมรับนับถือในทรัพย์สินของแต่ละ บ, บคุคคลต่างคนต่างเกื้อกูลมีความรักมีความสงสารเกื้อกูลซึ่งกันและกันโลกนี้จะมีความสุขหรืวโลกนี้จะมีความทุกข์เทดีพูดมานี้เป็นหลักการของพระพุทธศาสนาให้คนสงเคราะห์กันให้คนรักกัน พระพุทธศาสนาช่วยโลกแล้วแต่ว่าชาวโลกที่รับความช่วยเหลือของพุทธศาสนามีแลวกี่นายมีมากเท่าไรความจริงเวลานี้ทางพุทธศาสนากำลังคึกคัก <c oughs> กำลังรวมตัวกันมากเห็นว่านักบุญส่วนใหญ่ไปแสวงหาบุญก็ไม่จากัดสถานที่ อยู่ในกรุงเทพออกไปต่างจังหวัดสุดแดนไกลบางทีคนอยู่ใต้สุดมาหาพระเหนือสุดคนอยู่เหนือสุดไปหาพระใต้สุดนี่สนแสดงว่าบรรดาชนประชาชนชาวพุทธกำลังร่วมใจร่วมสาความสามากกัคคีซึ่งกันและกันถ้าหากว่าในเวลานี้นำถ้าหากว่าทางราชการและหน่วยงานใดๆ ต้องการผลงานจากความสามคัคคีแต่แท้ว่าให้เจ้าของเงินทั้งหมดเป็นเจ้าของในการร่วมงานก่อสร้างนั้นนั้นที่เป็นส่วนสาธารณประโยชน์ผู้พูดเองเห็นว่าจะมีคนมากการก้าวหน้าในได้ของความสุขจะมีมากขึ้นไปกว่านี้ทั้งนี้ก็เพราะว่าไม่ได้ืีว่าโลกจะไม่ได้ช่วยตัวเอง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 มองดูเวลาก็หมดแล้วต้องขอลา ก, ก่อนขอความสุขสวัสิทิที่พัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบบ่บรรดาท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี